เดิน8นะที่เราเรียกว่าวันอาซาลหบูชาหลังจากที่พระองค์ได้แสดงธรรมจักกบพจนสูตรนะซึ่งทำให้ท่านโกนธัญะได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสตบันนะผ่านไป5วันนะพระองค์ก็แสดงอนัตตลกนัสูตร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 เกิดความเข้าใจนะในบางด้านบางส่วนได้ที่พระองค์ได้ตรัสสอนด้วยอนัตตลักขณสูตรเนี่ยนะก็เพื่อที่จะถอนความเห็นผิดนะความเห็นผิดของปัจจัคคีหรือว่าของผู้คนทั่วไปนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอัตตา สิ่งเท่ายทั้งปรงเป็นอัตตาพปร่งก็อธิบายว่าเนี่ยมันจะเป็นอัตตาได้ยังไงในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งก็คือทั้งหมดนั่นแหละสรรพสิ่งเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายก็ก็หนีไม่พ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันท่าหรือบางทีเราก็เรียกว่าสังขารนะคำว่าสังขารเนีนะ่ยมันมีความหมายหลายระดับนะ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 ตัวตนหรืออัตตาคือว่าสั่งได้บงการได้หรือว่าคงอยู่เที่ยงแท้เป็นนิรันด์นะไม่แปลเปลี่ยนก็เห็นอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันนะมันก็ไม่คงที่มันแปลเปลี่ยนมันเสื่อมสลายสั่งไม่ได้แล้วมันจะเป็นอัตตาได้ยังไงแต่พระองค์ก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ย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 ตันหาก็คือของกูนะาำว่าตัวกูของกูเนี่ยนะตัวกูเนี่ยคือทิฏฐินะของกูคือตันหาส่วนมานะคือนี่กุณะนะขอเจ้าพุทธท่านใช้แต่คําว่าตัวกูของกูแต่ว่าที่จริงมันมี3านะไม่ใช่2องนะนอกจากตัวกูของกูแล้วคือนี่กุณณะนะไอ้นีกุณะเนี่ยคือมานะนั่นเองนะ เป็นการย้ำนะเป็นยานการย้ำว่าเนี่ยนี่กูนะหรือที่ท่านที่พระเจ้าท่าใช้คําว่ายึดว่านั่นเป็นเรานะนั่นเป็นเราอันนี้เมื่อเราได้พิจารณาตามอย่างนี้อย่างที่ท่านปัญจวัคคีพิจารณาตามก็จะเพิกถอนนะความยึดมั่นว่า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 ตัวกูของกูหรือว่านี่กูนะได้เลยนะผู้อยัางภาษาของท่านจามพุทธทาสอันนี้เมื่อบัญญาเกิดขึ้นแล้วทำไงเกิดอะไรขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็เรียกว่าเกิดสัมมัทติขึ้นมาก็ว่าได้นะแต่เป็นสัมมัทติขั้นสูงเรียกว่าโลกุตระสัมมัทิสัมมัทติมีสองระดับนะ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 นะไม่ใช่เห็นเอาตามความคิดนึกอันนั้นยังไม่ใช่ปัญญาแท้รับแต่คือการเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นแจ้งในสัจธรรมเรียกปัญญาเมื่อเห็นเชนนั้นจิตก็หลุดพ้นนะความหลุดพ้นนะหรือว่าความสบายผ่อนคลายนะสำหรับปุทุชนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของจิตนะเมื่อเมื่อปัญญาพัฒนาเนะีจิตก็ พัฒนาตามก็เกิดความหลุดพ้นคราวนี้ก็ไม่มีทุกข์ละอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะทำให้จิตเป็นทุกข์ได้เพราะว่าความทุกข์ของจิตเนี่ยมันลดยแล้วแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมันว่านี่ของเรานะนี่เป็นตัวเรานะนี่ตัวตนของเราหรือยึดวันน่นตัวกูของกูเอาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะ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 ออกไปนอกตัวรถของเรานะบ้านของเราลูกของเรานะพอไปยึดเป็นของเราแล้วมันก็ไปสําคัญมานหมายเป็นตัวเราได้ง่ายๆ่าเช่นยึดว่าเนี่ยรถของเรารถของเรานะไปามารถก็คือเรานะพอใครมาตําหนิว่ารถคันนี้ไม่สวยรถคันนี้เก่า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 หรือว่าพวกเสื้อผ้าราคาแพงไอ้พวกเนี่ยเขาซื้อยอมทุ่มเทเงินเป็นแสนหรือบางทีเป็นล้านเนี่ยก็เพราะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้ตัวตนเขาสูงขึ้นเด่นขึ้นมีคุณค่าขึ้นนะบางคนก็ไปซื้อรถเป็นมาเพราะว่าขับรถเป็นราศว่าทำํำไมตัวเองเนี่ยรู้สึกดูภูมิฐานเกิดความรสึกมั่นใจนะ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 นะแทนที่จะเห็นความปวดความเมื่อยก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแล้วเวลาที่เราปวดเวลาที่เราเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายปวดกายเมื่อยเท่านั้นนะใจก็ปวดใจก็เมื่อยใจก็ทุกข์ด้วยเพราะตอนนั้นไม่มีสตินะตอนนั้นเข้าไปเป็นซะแล้วนะแต่ถ้าหากว่ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยนั้นะจิตมันไม่เข้าไปเป็นนะไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อย หรือผู้ยานนั้นก็คือว่าจิตมันไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเมือเ่อใดก็ตามที่เรามีสติหรือเมือเ่อใดก็ตามที่สติเกิดขึ้นที่ใจเนี่นมันก็จะเห็นความปวดความเมื่อยว่าเป็นอันนึงนะไม่ว่าจะปวดหรือเมื่อยหรือเจ็บก็ตามนะก็เห็นว่าเออนี่แหละนะความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นที่กายแล้วหรือว่าทุกเกิดขึ้นที่กายแล้ว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 แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยน ะ, ะยังไม่ยังไม่ถือว่าสำคัญเท่ากับสติปัฏฐาน4นะแต่ถึงแม้ว่าจะสำคัญรองลงมาแต่ก็มีประโยชน์นะที่เอามาใช้หนุนให้เกิดความใส่ใจในการเจริญสติปัฏฐาน4ี่ได้เอาสติปัฏฐาน4ี่นี่ก็คือเรื่องการดูกายนะดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือผู้ยยยอสั้นๆเอาที่เป็นหัวใจคือดูกายกับดูใจ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 ท่านเห็นดอกบัวที่ร่วงโรยท่านก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าสังขารร่างกายหรือตัวเราก็จะเสื่อมสลายไปเหมือนดอกบัวเช่นกันมันเป็นอ น, นิจจังท่านเห็นอ น, นิจจังนะแล้วก็โยงมาสู่ทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จากการเห็นสิ่งนอกตัวแต่เห็นอย่างอย่างเห็นอย่างมีสตินะ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 คนก็ทำไม่ถูกใจเราเราเกิดความขุนเคืองขึ้นมาไอภาวะนั้นแหละนะที่มันจะสอนทำให้เห็นให้เห็นทุกได้ถ้าทุกคนทำตามใจเราหมดนะมันจะเห็นทุกลำบากนะถ้าดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นไปตามใจเราหมดนะสบายทุกอย่างสบายเนี่ยมันจะเห็นทุกยากนะนะคำว่าทุกขังเนี่ยจะเห็นได้นะก็ตอนที่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 ไม่ใช่เอาแต่วยวายตีโพยตีพายหรือว่าบนกลดาชตากรรมรู้จักมองมองให้ดีนะอย่าเข้าไปเป็นนะมันก็จะเห็นธรรมได้ชานี้เพียงเท่านี้นะอ้าวกราบระ